ขอความสุขความเจริญจงมีแลิท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดถึงเทรภพาสิตของภาษาริบุตรเทระในข้อที่ 110, ร้อยสิบพันสิบสองตั้กล่าวว่าหมาสมุดหนึ่ง แต่นิดหนึ่งภูเขาหนึ่งลมหนึ่งย่อมไม่ถึงส่วนแห่งเซี่ยวโดยการเปรียบเทียบกับความหลุดพ้นอย่างประเสริฐของพระศาสดาเลยคำกล่าวของพระเถระคอนี้ต้องการจะเทียบเพียงเรื่องพระทัยของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ ได้สดสรุแล้วนี่ไม่ว่าจะกระทบกวามอารมณ์โลกอย่างไรก็าตามเห็นูกฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถรูกต้องย็ดนอนอนแข็งใจเนียวนึกตึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายจะไม่หวั่นไหวไปด้วยอารมณ์ที่กระตุ้นมาจากข้างนอก ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ศึกนึกถึงกิเลสภายในเพราะว่ากิเลสมันหมดไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการบรรลุอาสวะกิานคนนี้ถ้าหากท่านผู้ฟังได้นึกถึงบทสรรเสริญพระพุทธคุณบทว่าอารหัง อร่างนั้นมีสี่ความหมายด้วยกันความหมายแรกถือว่าเป็นเหตุใหญ่ได้แก่หักกำแห่งสังสารจักรกาแห่งสังสาร จ, จากนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือกิเลสกับกรรมแต่ท่านกระจายออกไปว่าได้แก่อวิชาตัณหาอุปาทานและก็กรรม ถึงถ้าเราเทียบที่อวิชชาเราเห็นว่าอาวิชชาตัณหาอุปาทานก็คืออวิชชากรรมก็คือสังขารได้แก่บุญได้แก่บาปได้แก่อรูปฌานซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของวิญญาณแล้วก็มีนามรูปมีอายตนาต่างๆไปต้นก็เรื่อยไปจนถึงปลาย แต่ภาสาใจที่ยังไม่ขาดสาสนั้นก็ยังหมุนเป็นวัตจักร้ดยกลุ่มของกิเลสกรรมแล้วก็วิบากเขาเรียกพาวะจักรคือหมุนกันไปอย่างนี้พวลปรองทรงหักกรรมและสังสารจักรกรรมคือกิเลสใช่คือกิเลสคือกรรม คือตัณหาอุปาทานอาวิชชาตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นกิเลสอวิชานั้นก็คือทรงรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงก็ทำให้ทำลายอาวิชชาหมดไปเพราะวิชานั้นก็คือความไม่รู้ในอริยสัจสี4 และต่อเ น, นื่องกันไปก็เป็นความไม่รู้ในอนดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกดของปัจจิยาการปัจจยาการด้วยอีกนั่นแหละก็คือกิเลสกรรมวิบากอดีตอนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วก็ปัจจุบันมันก็เป็นอาการหมุนบนของกิเลสกรรมวิบาก จึงสืบเนื่องมาจากการไม่รู้อริยสัจทั้งสี่ตามความเป็นจริงเมื่อพระเจ้าทรงตรัสรู้ในอริยสัจสี่นั้นตรับสั่งเล่าให้ท่านปัญญวคีทราบว่าต่อจากนั้นยานได้เกิดผุดขึ้นภายในพระไถยของพระองค์ว่าอยมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย นตีดนานนีิปุณภภวโอพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปแล้วซึ่งก็หมายความว่าเมื่อทรงรูวรียวสัตว์สี่ดับอวิชชาตันหาก็ดับตานหาดับอุปาทานก็ดับเพราะว่ามันเป็นจริงของอวิชชาตานาก็คือตันหาสามนั่นแหละ แต่ถ้าเราเรียกย่อยออกไปก่อจะเป็นตัณหาถึงร้อยแปดก็ได้คือโดยจับหลักที่ตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในเย็นร้อนอ่อนแข็งและตัณหาในอารมณ์เป็นการมตัณหาหกเป็นภาวะตัณหาหเป็นวิภวะตัณหาห รวมแล้วก็เป็นสาปกก็เป็นอดีตสามปเป็นปัจจุบันสามปเป็นอนาคตส6ปรวมกันแล้วก็เป็นร0อยแเขาเรียก่ตัตนหาร0 8ทรงทำลายได้อย่างสิ้นเชิงเพราะนั่นจึงไม่ทรงหวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านะั้น ตองตามอารมณ์เหล่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราพุทธเจา้าก็จะไม่วันไหวแต่ทีนี้การที่พระเถระนําไปเทียบกับมหาสมุทรกับแผ่นดินกับภูเขากับลมคือเราจะเห็นว่าพวกเหล่านี้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเหมือนกันไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ที่มากระทบ ภูเขาใครจะไปบูชาก็อย่างไรเขาก็ไม่ยินดีใครจะมาถ่า ย, ยาจาระปัะสาววรถแก่ก็ไม่โกรธหมาสมุทรก็เหมือนกันใครทิ้งสองก็ปลุกของสะอาดลงไปแต่ก็ไม่ยินดียินร้ายแผ่นดินเองใครจะขุดใครจะพังทลาย ใครจะทิ้ ง, งของสกปรกของสะอาดลงไปเขาก็มียินดียินร้ายลมพัดผ่านได้ทั้งสิ่งสะอาดและไม่สะอาดแต่เพราะแกไม่มีใจไม่มีใจสมัครที่จะยินดียินร้ายแต่ระพุทธจ้านั้นดับเฉพาะกิเลสนะพระทัยยังอยู่แต่ว่า ทรงห่างไกลจากอำนาจของกิเลสเล่านั้นครานี้เราลองดูว่าตั้งแต่จริงก็ก่อนจะสรู้ได้ซ้ำไปที่ทรงพระจนกพระยามานพระยามานแสดงอิทธิฤทธิ์ธออกมาด้วยวิธีการต่างๆมีเสนาห้อมล้อมขี่ช้างขนาดใหญ่มา ประจนพระพุทธเจ้าข่มขู่คุกคามทวงพระแท่นที่ประทับสารพัพดพระเจ้าก็ไม่ได้วันไหวจนในที่สุดก็ไปตู่เรื่องกระแท่นนั้นว่าเป็นของแก่พทธเจ้าก็อยู่ลำพังพระองค์ก็สงอ้างทศบารมี คือทานศีลในขมาปัญญาเป็นต้นเนี่ยที่พระองค์ทรงอบรมมาไว้แล้วก็ทรงทาบุญมาในสังสารวัฏเป็นนั้นมากทรงกลวดน้ำลงไปบนแผ่นดินแม่พระธรณีก็ได้ซึมซับเอาไว้ธรณีก็ปรากฏองค์บีดน้ำที่ทรงกลวดในสังสารวัฏลงไปจนท่วมกองทัพปยามาน แล้วก็ภายแพ้ไปก็เล่นกัตรารพัทก็เรียกผสงครามสงคราม ย, ย่อยๆทีเดียวแต่ว่ามานามาเยอะเหลือเกินพระเจ้าประทับอยู่โดยลําพังพระองค์ปัญญาขีก็หนีไปแล้วเทวดาอารักษ์ทั้งหลายมารพรมยมยักษ์ทั้งหลายที่มาห้อมล้อมพระองค์ แสดงความชื่นชมยินดีในวันที่จะสัสรุพอพะยามานมาระจญจริงๆนี้หมดไม่มีใครเหลืออยู่เลยอีนนี้ในสัปดาห์ต่างๆในสัปดาห์แรกก็ส่งตอนนั้นก็สัสรู้แล้วนะก็ส่งพิจ า, พย า, ยารณาปจจยักรคือปฏิจจสมุปบาท พร้อมกับอุทานในสามจังหวดะด้วยแกตรงนั้นก็ไม่ว่ากาันหรอกเพราะว่ากิเลสหมดแล้วทรงเพ่งดูโพชิอยู่เจ็ดวันสรงสเสด็จจึงกลมอยู่เจ็ดวันทรงตอบคำถามของพรามูกงกชาตแล้วก็ ทำไม่พรามณ์เพูดอะไรไม่ออกคือตอบไม่ได้ต้องอยู่ท่ามกลางการห้อมล้อมของพญานาควงขนดล้อมพระอกอยู่เจ็ดวันโดยไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไม่วั่นไหวอะไรกับพยานาคแล้วก็ประทับจิตตุกเกตในสัปดาห์ที่แปดหลังจากประทัสบสมบวบิมุตติสุขแล้ว ก็เสด็จมาประทับที่ต้นไทรเชื่อจาชื่ออาจปานิโครอดอีกทรงมีเรื่องเหตุการณ์เยอะเกิดขึ้นในที่นั้นหลายเรื่องหลายสูตรด้วยกันในเรื่องที่ที่เรียกว่าน่าสะดุ้งแต่ไม่สะดุง้งอะก็คือพยามารมาพชนพระองค์อีก โดยปลอมตัวมาคุณเจ้าทศพระเนตเห็นปั๊บก็สูงรู้ทันทีเลยว่าเป็นพยามารเราสั่งวพาพ่าปาปิมะดูก่อนมานผู้มีบาเรารู้จักท่านนะท่านทำอะไรเราไม่ได้มานกยายามพยายามพูดด้วยวิธีการต่างๆก็เห็นว่าไปไม่ไหวแล้วก็เลย บอกว่าพระองค์ก็จะสรุแล้วเนี่ยก่ อ, อนนิพพานได้แล้วอย่าอยู่ทรมานพระวรากายลำบากเลยปุจ้าก็บอกว่ามานอยู่เฉยๆพระองค์จะปฏิบัติภารากิจสีประการให้จบไปก่อนคือหนึ่งให้การศึกษาแก่พุทธบริษัท สองให้ผู้ตบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติตํามหลักของพระสัทธรรมผู้ตบริษัทที่ผ่านการศึากษาการปฏิบัติและก็สัมผัสผ ล, ผลของพระสัทธรรมนั้นมีศักยภาพในการเผยแผ่พระสัทธรรมแก่บุคคลหรือได้โดยวิจิตพิสดารยามใดที่มีการกล่าวจ่วงจาบบิดเบือนใส่ใคร พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากคนที่มีความคิดเป็นปฏิปัพุทธบริษัทสามารถที่จะโต้อตอบชี้แจงอธิบายทำความเข้าใจได้หมายความว่าโอนย้ายหนา้าที่ของพุทธบริษัทของของพระองค์เนี่ยไปไว้ที่พุทธบริษัทไท้ครบแล้วพระองค์ก็จะเป็นนิพพาน พญามารก็เลยยอมจำนนหมดอะไรตายยากในชีวิตไปนั่งเอาไม้ขีดดินอยู่ซึมเศร้าเชื่งซึมลูกสาวของพญามารตรงนี้เป็นเรื่องที่กระตุ้นราคานะกระตุ้นตันหาราคาถ้าเราจะเห็นว่า เออชื่อเนี่ยมันเป็นเป็นเทพธิดามานนะฮะเป็นเทพธิดามานไม่ใช่ว่าเป็นกิเลสเพราะว่าตอนนั้นกิเลสมันหมดไปตั้งเจ็ดสัปดาห์แล้วสัปดาห์ที่แปดแล้วน า, ตน า, างตถาณาราคานางระตีซึกเป็ดธิดาของพระยา ม, มานก็มาเห็นพ่อนั่งซึมเศร้าอยู่ก็ถาม ถึงสาเหตุที่พ่อสูมสาว พ, พ่อก็บอกว่าพ่อเสียใจที่ไปสามารถจะเอาเจ้าชายจิทถะไว้ในอำนาจได้ตอนนี้ท่านหลุดจากอำนาจของพ่อไปแล้วพ่อไม่สามารถจะควบคุมสั่งการอะไรได้อีกแล้วทิดามานทั้งสามรับอาสาว่า เมื่อพ่อไม่สามารถเนี่ยลูกทั้งสามอาสาจะไปผูกมัดประชาชิตตะวไว้ด้วยบ่วงคือตัณหาบ่วงคือราคะบ่วงคืออรารติอรารติมันก็แบบภาวะตัณหานั่นแหละคือความเบื่อหน่ายความไม่ยินดีความไม่พอใจความรำคาญต่างๆปยามานก็รู้ริดพระพุทธเจ้าแล้ว บอกว่าตัก็ทำไม่ได้เร้วแต่ว่าลูกสาวทั้งสามก็พยายามรับอาสาด้วยความเชื่อมัน่นไปถึงก็เชิญชวนชักชวนสอบถามวยวัวยว่วยวนด้วยวิธีการต่างๆสารพัดในพระสูตรเนี่ยเขาเรียกว่ามารัฐที่ตูดสูตรเขาว่าไว้พิสดารทีเดียว มีการโตร้ตอบมีการซักถามมีการโตร้ตอบผร้เจา้าข้าทงโต้ตอบที่แจ้งได้ในเวลารวดเร็วทีนี้พวกนักตันหาราคาละตีนี่ก็มองเห็นว่าธรรมดามนุษย์เนี่ย บางคนอาจจะพอใจในรูปสวยๆบางคนอาจจะพอใจในเสียงไพเราะบางคนอาจจะพอใจในกลิ่นหอมมบางคนอาจจะพอใจในรสชาติที่อริดอร่อยบางคนอาจจะพอใจในสัมผัสที่ได้จับต้องหรือน่าจับต้องพรนก็เลยนิรมิตตัวสมบูรณ์ด้วยรูปสมบูรณ์ด้วยเสียงสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสสมบูรณ์ด้วยสัมผัส แล้วก็อยู่ในวัยต่างๆขนาดแตกต่างกันเป็นวัยรุ่นก็มีเป็นสาวใหญ่ก็มีเป็นสาวเด็กก็มีเป็นสาวที่มีคานอน่อนๆก็มีคือสารพัดหมายความว่า อ, อุคุณผู้หญิงเต็มไปหมดเลยดิรามิตขึ้นมาแล้วก็ได้รำ่ำยวยยวนพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ประทับอยู่พระองค์เดียวเหมือนกัน เราทับอยู่ที่ต้นสแล้วมันมีเพลงขับที่ท่านเรียบเรียงเอาไว้ที่หนังสือชื่อประที่แผงสมภูทวีปประที่แผงทวีปเอเชียคือเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันมีมีแรงกระตุน้น หมายความมาถ้าคนสามัญธรรมดาแล้วพวกผู้หญิงเหล่านี้เขาบอกว่าถ้าไม่ลุกขึ้นมาจากที่นั่งมารวมมาพิรม ช, มชมเชยพวกเขาแล้วเนี่ยจะชอกตายเลยคือจะอยู่ไม่ได้แต่บทเพลงเหล่านั้นก็เคยจำมานานนะฮะจำมาตั้งแต่สมัยเพินเทนจำมาตั้งห้าหกสิบปีแล้ว เกิจะหมดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่จะว่าให้ฟังมันบอกว่ามนุษย์ผู้เวียนวงวัฏสงสารจะต้องการสิ่งไรยิ่งไปกว่าต้องการเห็นแต่ความงามในตาต้องการกลิ่นสุขนธาที่ยวนใจกลิ่นกุหลาบราบส้านคารนประสาท กินไดอะเทียมเทียบก็เปรียดได้เป็นคลินซึ่งพึงนวงดวงหาไทยให้ไฟในสเสนหากามมรมความสำราน บ, บานใจไม่มีค่าเท่าเห็นกายหาญิงร้ายสิ่งคนก็ได้เห็นรูปโฉมหน้าเสยสม แล้วก็บ้าไปเรื่อย ๆ, ๆนะฮะคือสรุปว่าจำจำไม่ได้หมดอันนี้ก็นึกไม่ออกเพราะว่าเคยอ่านมานานแล้วแต่พอดีเ็าเป็นกรอนอ่านแล้วก็จำได้ด้วยนะฮะพะได้เห็นรูปโฉมหน้าโลมสมแล้วก็ความครมุมกรอมอะไรต่างๆ ก็พระเจ้ากระพรบตั้งเฉยเนยไม่ได้แสดงความยินดีหรือยินร้ายเพราะกิเลสเป็นเหตุ ย, ยินดียินร้ายเนี่ยมันดับ ก, ก็คล้ายๆกับว่าคนไปเต้นรำไล่รำอยู่ในหมาเสมอหุดบนแผ่นดินบนภูเขาแล้วก็ทํากลางสายลม ตรนั้นก็ไม่ยินดียินได้แต่ว่าเพราะเขาไม่มีจิตถึงไม่ยินดียินร้ายเพราะไม่มีจิตที่ให้ยินดียินร้ายแต่รู้ที่เจ้าก่อนจะสัตรู้เนี่ยมีจิตที่ให้ยินดียินร้ายแต่ขณะนี้กิเลสเป็นเหตุให้ยินดียินร้ายมันไม่มีตรงก็ไม่ยินดียินร้ายแล้วก็ใน การเผยแผ่ระศาสนาของพระองค์มีหลายครั้งที่เชิญกับเรื่องราวต่างๆที่ถือว่ารุนแรงสมหับคนทั่วไปคือจะต้องอดไหวแหละคราว น, นี้ท่านสาชนตึ่สังเกตในบทภาวหุงที่พระสวดก็รเรียกถวายพรพระมีอย่าทั้งหมดก็แปดบทด้วยกัน บทแรกเป็นการพจชนกับพยามานดังกล่าวแล้วนั้นก็ก่อนจะสัตรุนิดหน่อยพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวบทที่สองทรงพยชนกอาเล่ากยักษ์ดุร้ายรุนแรงคมคู่คุกคามสารพัดวิธี จนถึงก็บอกว่าจะจับพระพุทธเจ้าสองขาแล้วก็ฉีกออกเป็นสองซีกแล้วกกฟ้างข้ามหาสมุดได้ไปตบริมตลิ่งด้านหนึ่งคือสารพาดอะไแก่ขู่สารพัดอเยอะแยะไปหมดพุทธเจ้ารับสั่งว่าที่พูดนะพูดได้แต่ว่าเธอทำไม่ได้หรอกในสุดยอด ก, ก็ทดลอง โดยการบังคับให้ผู้เจ้าลุกขึ้นจากพระแท่นที่ประทับอยู่คือแท่นนั้นเป็นแท่นของยักษ์ผู้เจ้าก็เสด็จลุกขึ้นจิตใจแกก่อนโยนขึ้นนะฮะเพราะว่าสามารถสั่งได้เลยก็บอกให้ลับไปนั่งใหม่ผู้เจ้าก็เสด็จไปนั่งชักขนองอะไงทีนี้ชักมันน่ะ แล้วก็บอกว่าให้ลุกขึ้นมาผู้เจ้าก็ลุกขึ้นมาก็กลับไปนั่งใหม่เอาก็ไปนั่งครั้งที่สามสั่งอีกผู้เจ้าไม่ลุกผู้เจ้าบอกว่าที่ต้องลุกครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตก่อนนะ่ถึงนั่งแล้วก็ต่อมาเนี่ย ท่านก็สังให้ลุบถึงครั้งที่สองไอ้ครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการอนุญาตให้นั่งของท่านถึงสองครั้งท่านอนุญาตเองเมื่อท่านอนุญาตให้นั่งแล้วเราก็ไม่จะเป็นดาวลุกแล้วก็จบลงว่าพระพุทธเจ้าทรมานเร า, าไปยากจนยอมจำนุนแล้วก็บรรลุพระขนเป็นมาโซดาบัน ในการต่อมาก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกที่มีความสำคัญอยู่ท่านหนึ่งในบทที่สามเป็นการผรจญกับจางนาลาคิรดีจางนาลาครีนีในถูกพระเทวทัต์มอมด้วยเหล้าในสิบหกไขเมาอุตลุดเลยแล้วก็ ขับใสมาให้แทงพระพุทธเจ้าพระธิดามเสด็จก็ถอยห่างออกไปมีพระนุนอยู่รูปเดียวที่ออกไปขวางหน้าขวางพระพักพระพุทธเจ้าวไว้พระเจ้าเราสั่งถามจะทำอะไรอันนน์บอกว่าข้าพระองค์จะขอสละชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธเจ้าวไว้พระเจ้าบอกไม่ต้องรักษาหรอก อยู่พระองค์ไม่ต้องมีใครรักษากให้พระนุนกลับม่ยืนข้างๆช้างพุ่งแป้นแนแๆๆนแมาเลยพอมาถึงนะ่ะ่งแผ่ไม่ตามการุณานะฮะแ่การุณ า, นะ า, าออกไปช้างสั่งเมาเลยยอมสยบ ก, กับที่องงาปักดินร้องให้ น้ำตาไหลแล้วก็ลึกขึ้นลุกขึ้นโค้งคำนับโองแล้วอันหลังกลับเข้าโรงไปเฉยๆคนก็ตื่นเต้นคนที่มาดูมาชุมมาประชุมดูกันเนี่ยเพราะว่าได้ข่าวลูกหา้ามาก่อนในข้อที่สี่เนี่ยก็พระจนกับโจนองคุลิมา ลลยล่าพระองค์มาเป็นยโยศนะฮะลลยไม่ใช่ไล่ธรรมดาพระเจ้าส่งทรมานด้วยอิทธาพิสังขารคือคือเดาดูคล้ายๆกับเดินคล้ายๆพระเจ้าเสด็จพุทธดำเนินเดินไปเฉยๆแต่ว่าแต่ละขังก้าวที่มันไปเป็นยโยดอ่ะไปเป็นเซนเซน โยนอมกิลมมาในเคยล่ฆ่าคนมาเยอะแยะวิ่งได้เร็วมากวิ่งยังไงก็ไม่ทันะทิ้งระยะห่างอยู่เหมือนเดิมเท่าเดิมตลอดจนเหนื่อยตะโกนเรียกบอกว่าสมนาณะหยุดก่อนเกิดสงสัยเกิดสงสัยมันมีหลายประเด็นไอ้นี้เป็ น, เ ป, นเป็นปจววคือปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ถือว่ายิ่งใหญ่่ คือองคุริมานโจรเองนั้นดีใจว่ามาเจอคนที่จะตัดนิ้วเป็นนิ้วที่หนึ่งพันครบครบสู่ที่อาจารย์ให้ไหวก็เสร็จภารกิจในการจะศึกษามนุน์แต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็เปล่งพระจะพันนรังสีรอบพระเสียรดัลลวา เหมือนคล้ายกรดวงไฟใหญ่มากแล้วก็อยู่บนพระเศียรเพราะงะั้นองคุริมาณก็จากความอยากจะฆ่าเนี่ยมันกลายเป็นความสงสัยความสงสัยนั้นเป็นพวกกิเลสซึมๆมนะฮะซึมๆคือคือตัดสินใจอะไรไม่ได้ สเายก็ดีขวาก็ดีอะไรเนี่ยอย่างทำนองคล้ายๆกับว่าเราไปถึงทางสองแร่งเราเกิดสงสัยว่าไปขวาหรือไปซ้ายอย่างเงี้ยรถมันชะลอแล้วก็หยุดเลยนะถ้าสงสัยมากแล้วก็ตัดสินใจขับไม่ต่อไม่ได้แล้วก็ต้องจอดรถข้างทา ง, ทางคอยถามคนก่กอนเห็นไหมลักษณะกิเลสประเภทนีม้มันซึมซึมเฉยเฉยมือๆมือดลอยลอย ไม่มั่นใจในตัวเองแกก็จสงสัยว่าเดินยังไงทำไมเราไลา่ไม่ทันเราไล่คนมาเยอะแล้วทำไมจึงไล่ไม่ทันเอ๊ะคนอะไรมีรัศมีออกมาจากศีรษะเรียกให้หยุดนี่ที่จริงก็ความคิดจะฆ่ามันหายไปแล้วแต่คิดจะถามนะพอสมมนาอยู่ก่อน ปุจจรับสั่งว่าอาหิงส ก, กะเราหยุดแล้วแต่เธอนสิยังไม่หยุดโอ้ที่นี่สงสัยไปได้ที่สามเลยเพราะว่าตั้งแต่ท่านออกเป็นโจนเริ่มฆ่าคนเนี่ยแล้วก็เริ่มเอาข้อนิ้วของคนแต่ละคนมาแขวนเป็นพวงมาลัยเนี่ยคือไม่มีใครรู้จักคาว่าอาหิงส ก, กะหนวดเคราก็รุงรังไม่เคยโกนเลยหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไป อิงสก่าเป็นชื่อเดิมเป็นชื่อที่พ่อก็ตั้งให้มันเกิดจากนิมิตที่ตอนท่านเกิดอาวุธในกรุงสาวัถีมันลุกเป็นเปลวขึ้นมาเป็นแสงแต่ว่าไม่เป็นอันตรายแก่ใครๆกากาบุรหิตก็ไปกราบทูลในพระเจ้าประสิท์ทรงทราบว่า เบสกิก็กลับทูลถามก่อนว่าเมื่อคืนพระองค์บรรพมหลับสบายดีไหมแต่บอกว่าหลับสบายไรแสงอาวุธในวังเนี่ยมันลุกโโปรงขึ้นมาเป็นเปลวไฟค้าาาปุโรหิตก็บอกว่ามันเป็นบุคคลิมิตป ร, ระการเกิดของลูกข้าพราะองค์เองเด็กคนนี้ต่อไปจะเป็นมหมาโจรถ้าพราะองค์จะโปรที่ข้าซะก็ได้ถ้าพราะองค์จะนํามาถวาย พระเจาปเสนีโกศรก็เราสั่งถามว่าเป็นโจรราชสมบัติหรือว่าสามัญโจรสามัญกันบอกว่าโจรสามัญท่านก็บอกว่าเด็กมันยังไม่เป็นโจรเราจะไปฆ่าเขาก่อนเนี่ยไม่ได้ก็เลี้ยงไวเ้เถอะเพราะนิมิตที่มันไม่เป็นอันตรายแก่ใครเนี่ยพ่อจึงตั้งชื่อหิงส ก, กะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใคร พอพระเจ้าเรียกไอ้หิงส ก, กะเกิดสงสัยว่าเอ๊ะเป็นใครเป็นใครรู้จักชื่อเราได้ยังไงพระเจ้ายังไม่หันพระภากมานะเลยแกก็ถามว่าสมณะทาไมท่านยังกล่าวเข้าไปเจ้าซึ่งหยุดว่ายัางไม่หยุดแต่กล่าวท่านซึ่งกําลังเดินว่าหยุดแล้ว พระเจ้าระสั่งว่าหญิงสกะาตถาคตหยุดแล้วจะการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การประทุษลายสัตว์แต่เธอเนียังไม่หยุดยังฆ่าสัตว์ยังเบียดเบียนสัตว์ยังประทุษลายสัตว์ยังมีมือชุ่มด้วยโลหิตของมนุษย์อยู่แล้วก็หันพระพักมาเลยเพื่อมาเองยังมองว่าตอนนั้นน่ะพระเจ้าประทับอยู่ที่ประเชตวันตอนหญิงสกะเกิด แล้วก่อนที่จะไปเรียนีนตั ก, กศิลาเนี่ยพ่อแม่ซึ่งเป็นบาสุกบาสิกาก็คงจะนำลูกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประเชตะวันอย่างน้อยก็สักสองสามครั้งแหละเสียกก่าน้อยที่สุดเลยคนแก่ก็รู้จักพระพุทธเจ้าพอหันพะพักมาเท่านั้นเองงานดาบหล่นจากมือตกใจมากเจอพระพุทธเจ้าเขาแล้ว จิตใจมันกระกลับฟื้นได้สติสมบรดีขึ้นทิ้งดาบแล้วก็เข้าไปกราบแทบประบัดพระเจ้าก็พูจาชี้แจงแนะนำถึงบาป บ, บุญกุศลต่างๆเธอก็ขอบวชพูเจ้าก็จัดการบวชให้แล้วก็นำกลับไปสู่ประเทศตะวัน ประเจตวันกับที่พบกันในห่างกันสามสิบโยชน์คกูเจเสด็จมาตอนเช้ากลับไปถึงก่อนที่จะฉันเพลก็แสดงว่ามาด้วยฤทธิ์แล้วก็ไปด้วยฤทธิ์เป็นอิทาพิสังขารแล้วในซึกก็เอาชนะโยนุ ก, กรีมานได้ในข้อที่สามที่สี่ที่ห้า นางจินจะมานวิกาวางแผนสารพัดก็จะใส่ร้ายพระพุทธเจา้าจนขนาดว่าทำให้มีท้องเอาผ้าไปรท้องเอาท่อนไม้ไปวางไว้แล้วผ้ามาคาดไว้ทำเป็นผู้หญิงมีท้องเข้าไปโจยพระพุทธเจา้าในท้ำกลางพุทธบริษัทในกบังเทศดู บอกว่าพระองค์ก็เทตุว่าเหตุจาภาัยรอดีแต่ว่าพระองค์ก็พอใจแต่จะอภิรมชึ่นชมยินดีกับหมอมชันตอนนี้หมอมชัน ม, ม, ม, มีท้องแล้วจะให้คลอดยังไงจะให้คลอดที่ไหนถ้ามาจัดการเองก็ควรจะให้ลุกสิธิ์นางวิสาขานาวาสนาธบินิกาเศรษฐีอะไรอะไรดีจัดการผู้เจ้าเราสั่ง เป็นกลางกลางนะรับสั่งว่าดูกอนน้องหญิงเรื่องนี้จริงเท็อยังไงเนี่ยเธอก็ชฉันท่านนั่นเองที่รู้ต้องการจะเตือนว่าเตืองโกหกแต่ว่าเธอไม่เข้าใจนึกว่ารู้ทท่เจ้ารับคือหลอกจนคิดว่าจริงอ่ะหลอกลวงคนมาหลายเดือนเจ็ดแปดเดือนจนคิดว่าจริงหลอกตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าจริงเอง ดีอกดีใจเต้นแรงเต้นกาสารพัดปรากฏว่าพอดไม้มันหลนุนความผิดก็ปรากฏตกใจวิ่งหนีคนก็ไล่กันแล้วก็ถูกโทษนี้สูงได้เดี๋ยมาโจกันจะาจ่ะต่อหน้าคนอย่างนั้นพระเจ้าก็ประทับเสยไม่มีอะไรไม่หวั่นไหวอะไรเลินฝ่ามือที่ไม่มีแผลมันพร้อมที่จะจับยาพิษได้ เพราะว่ายาพิษยาไม่สามารถซึมเข้าไปได้จากนั้นก็เป็นการต่อสู้กันทางปัญญาระหว่างพระพุทธเจ้ากับสัจจานิครนสัจาจานิครนนี้ก็อีกแหละมันก็ดุ ด, ดันมากล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าสอนผิด โลกมันเป็นอัตราตัวตนไปสอนว่าไม่มีอัตราตัวตนมันเป็นไปไม่ได้ไปปุกระดมในกรุงไพยสาลีนะมาจากไพสาลีนะเดี๋ยวก็ท้าโตวา่าทากับพระพุทธเจ้าเอาราชกุมาลิศวีมาด้วยทั้งสี่ห้าร้อยเพื่อเป็นสักขีพยานพระเจ้าทรงใช้วิธีการถามให้ตอบ ก็เรียกวปฏิบูชาพยากรคือถามไม่ตอบเพาถ้าเธอคิดว่าตัวตัวเธอเป็นนาตาตัวตนแล้วเธอบังคับผมไม่งอกงอกได้ไหมฝันไม่หักได้ไหมหนังไม่หิวได้ไหมถามไม่สารพัดแกก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมดเลยผู้เจ้าสรุปประเด็นเดียวนะแล้วถ้าอย่างนั้นมันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตายอมจำนวนเหงื่อแตกได้ยอมจำนวนเลย ทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยเป็นการทรมานนันโทบนันตนากรอันนี้เป็นพญานาคมีฤทธิ์มีอำนาจมากผู้เจ้า เ, เสด็จไปทางอากาศมีประโมคคลานะประราหารต่างๆไปจำนวนมากที่โดยเสด็จ เหาะลอยไปทางอากาศในท่ามกลางพญา น, นาค ก, กับนางนาคมานาภิกาคือนาคตัวเมียทั้งหลายเนี่ยแกกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่พระพุทธเจ้า ก, ก็เหาะลอยจะข้ามหัวก็ไปแกโกรธมากแปลงกายลุกขึ้นขวางแปลงตัวเป็นพญา น, นาคขนาดใหญ่ขวางเส้นทางพระพุทธเจา้าคพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงแนะวิธีทรมานพญานาคให้พระ โมคขาลานาจัดการผูเจ้าไม่จัดการเองนะตรงนี้ไม่จัดการเองก็อลอยอยู่กลางอาการนั่นแหละแล้วก็ในที่สุดโมคคลานาก็กำราบนันโทปนันตนากราดได้ข้อที่แปดโอ้ในปัญญาชั้นสูงเลยโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงนะหรือโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเกิดจากกาพรมท่าน ท่านลึกชาติได้ย้อนหลังไปยี่สิบเจดชาติแล้วก็รู้ว่าตัวเองเกิดตายจากพรมเกิดเป็นพรรมตายจากพรมเกิดเป็นพรมตายจากพรมเกิดเป็นพรมเพราะงั้นสับประชีวิตมาจากพรมและคนเราตายแล้วก็จะเป็นพรหมแสดงว่าพรมในเป็นภาวะที่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรเปลี่ยนไม่เป็นอย่างอื่นผู้เจ้าเสด็จไปโดยครั้งแรกลำพังพระองค์เนี่ย แล้วก็ไปต่อสู้กันในอิติริศก่อนโดยการทํานองใกล้ๆก็ซ่อนหานะฮรคือหมายความว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนปากกาพรมเห็นไหมปากกาพรมนี่เห็นไหมปากกาพรมซ่อนไปตรงไหนพระพุทธเจ้ารู้ทั้งนั้นว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนพระพุทธเจ้าเสด็จลอยขึ้นไปอยู่เหนือศีรษะของประกาพรม พระกาพร ม, มองไม่เห็นเลยกระแพพระพุทธเจ้าก็ทรงทรมานจนประสบใจชนะพระกาพรมก็ยอมเป็นลูกศิษย์เป็นบริวารของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าและเรื่องราวในลักษณะนี้มันมีเยอะจันมาคันติยาพรามณเอาอลูกสาวคือนางมาคันยาลูกสาวนะฮะลูกสาวพนางมาคันติยามาถวาย พอหาผู้ชายที่มันเหมาะสมกับลูกสาวไม่ได้ลูกสาวก็สวยเหลือเกินเอามาจะถวายพระพุทธเจ้าพะพุทธเจ้าไม่รับไม่ปฏิเสธแกสั่งให้คอยนะแต่พระุทธเจ้าไม่รับไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่าแสดงรอยพระบาทเหยียบเอาไว้แล้วก็เสด็จลีกไปในรักใกล้ๆนั่นเองไปประทับยืนอยู่ในใกล้ๆนั่นเอง รามมาถึงก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่เห็นก็บน่นแต่พัญญาเขาเป็นผู้ชำนาญในเรื่องการดูหมาบริษัลลักษณะเปินรอยประบาด ท, ท่านั้นเองรางบอกโอ้ไม่ใช่แล้วคนอย่างนี้ไม่มีกิเลสมีกิเลสที่เพียงปางหลังคานั่นเปิดแล้วคือหมายความมาัสละดับกิเลสได้แล้วในเกี่ยวข้องเรื่องเพศหรอกรามก็ยั่วใหญ่ ดาเมียใหญ่เดี๋ยวนั้นสุดก็เห็นพระพุทธเจ้าก็เข้าไปแล้วก็มอบถวายลูกสาวพุนเจ้าไม่รับสั่งแต่เล่าความเป็นมาของพระองค์ให้ทราบ ว, ว่าใครเป็นใครเป็นใครมาจากไหนเป็นมาอย่างไงเวลานี้มีฐานะเป็นยังไงอะไรแต่อะไรก็เล่าให้ฟังแล้วมีประโยคที่ค่อนข้างชะกาดชากันคือรับสั่งว่าสมบพระองค์แล้วเนี่ย นางมาคันธยาที่ดาสาวของมาคันธียาพรามกับนางมาคันธียาพรามณีมันเหมือนกับหม้ออุจจาระเหมือนกับหม้อที่ใส่อุจจาระโปรองไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้ด้วยเท้าการพูดอย่างนั้นมันกระแทกใจของพรามสวงคนสามีพัญยาซึ่งหลงลูกสาวมานาน เห็นตามเลยเห็นตามเลยว่าร่างกายเราที่จริงเมื่อก็เมื่อก็ถุงใสของสกปรกปฏิกูลสารพัดร้อยสีพันอย่างแต่นางมาคันติยากโกรธว่าพระพุทธเจ้าไม่รับก็ไม่น่าจะรับไม่น่าจะเปรียบเราเป็นหม้อเป็นหม้อที่ใสอุจจระเลยก็ผูกอาคตาิพยาบาทพระพุทธเจ้าก็นำไปสู่ สกนากรรมครั้งใหญ่เหมือนกันในกรุงโกสัมพีเพราะในนีค้คือคือหมายความมาไกลจากกิเลสไม่ยินดียินร้ายเพราะว่าไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ยินดียินร้ายแต่ว่าหมาสมุดหนึ่งแผ่นดินหนึ่งภูเขาหนึ่งลมหนึ่งหรือเทียบกับอะไรก็ได้นะฮะเทียบกับอะไรก็ได้ที่ไม่มีชีวิตอ่ะจริงๆเขาไมา่ยินดียินร้ายเหมือนกัน แต่การที่เขาไม่ยินดียินร้ายนั้นเพราะไม่มีกิเลสไม่มีจิตซึ่งถูกปรุงด้วยกิเลสแล้วก็เป็นเหตุจะเกิดความยินดียินร้ายผลเทียบกันแล้วท่านจะบอกว่ามันย่อมไม่ถึงส่วนเสี่ยวโดยการเปรียบเทียบกับการหลุดพ้นอย่างประเสริฐของพระศาสดาเลย คือหลุดพ้นโดยไม่กำเริบคือคนเราเนี่ย จ, จะเลิอกอะไรได้คนเลิกเล่าสามเดือนก็ออกพรรษาก็ดื่มฉลองกันเป็นการใหญ่คือคนเลิกได้เยอะนะฮะแต่ว่ามันไม่ไม่ได้ถาวรเพราะตราใดที่กิเลสยังมีอยู่ไม่มีใครที่จะละความชั่วดถาวร้องกิเลสมดแต่ก่อน แล้วคนที่ทำได้จริงๆก็คือพระพุทธเจา้าพระปฏิจจพุทธเจา้าพระอารหันต์เท่านั้นเองแต่ว่าเราเมื่อต้องการจะเดินตามรอยพระยุคนบาทของพระองค์ก็พยายามรู้จักข่มใจห้ามใจอดกลั้นอดทนรอคอยแผ่เมตตาการุณาอะไรต่างๆนี่นะฮะเอามีธรรมะคุ้มครองใจรักษาใจก็อย่างน้อยก็ เดินโดยเสด็จรอยอยู่คนบาศจะได้ใกล้หรือได้ไกลนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามทําด้วยกันหมายความว่าพระก็ต้องพยายามโยมก็ต้องพยายามไม่ใช่ว่าให้คนใดคนหนึ่งต้องพยายามเพราะว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องเฉพาะคนใครทําคนนั้นก็ได้ใครใครใครกินคนนั้นก็อิ่ม ในเรื่องเพาะตัจริงๆมันเป็นปัจจตังวิธบดมอยู่หิวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นทั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสีปทุมในวันนี้ขออยู่ติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความจะริญ ง, งอกงามไพบูตรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี